พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่ารับผิดชอบให้เต็มกำลังปล่อยวางก็ให้เต็มกำลัง ไอ้หลวงพ่อลงมาคราวนี้วันนี้เป็นวันที่เก้าวันที่เก้ามกราสองพันห้า้อยห้าสิบเก้าและก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หลวงปู่วิทยังวัดธรรมมงคลแต่ท่านก็นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมวันไั้นหลวงพ่อเขได้ลงมาคราวนี้ในวันนี้ก็คุณจอวัตก็นิมนต์หลวงพ่อมามาฉันเนี่ยเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกก็คือนิมนต์ม า, าทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรกอันนี้เข้ามาข่าวนี่เป็นครั้งที่สองมาเห็นมาพบกับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนี่แหละถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งและก็มาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมาพบกับท่านาบวรศักดิ์ที่ร่างกฎหมายข่าวก่อน แต่ถึงยังไงท่านมีชัยะเออท่านมีชัยลิขุพันธ์คงจะไม่ทิ้งทั้งหมดหรอกออท่านคงจะเอาของนี่แหละ เ, ออเป็นกระจกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะัออ่นน่ะที่ได้ร่างมาแล้วแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อนะ่ถึงจะร่างกฎหมายยังไงหลวงพ่อเคยพูดต่สมัยท่านออด็อกตรดเตอร์ เออเป็นเลขารัฐมนตรีลกตรกบเนอ๋อกตอร์รอัมเอออัมพลกิติอัมพลเออเพราะว่าท่านอัมพลเนี่ยเคยเป็นโยมแม่แม่คุณแม่ของท่านไปสร้างกุฏิที่วัดหลวงหลวงพ่อนะออตแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีเน่ท่านเข้าวัดหลวงพ่อมานมนานเออท่านก็ถามแต่ไมท่านเป็นเลขาเลขาสภาพัตนะออท่านก็ถามว่าลกตา นั่นถามผมเรียกงลงตานะลงต า, าผมจะเขียนแผน1ิบเนี่ยจะเขียนในลักษณะไหนดีในการการขเขียนเขียนแผนพัฒนาประเทศเนี่ยหลวงพ่อก็ตอบพ่อบอกไปเลยต้องพัฒนาคนต้องพัฒนาคนก่อนอย่าไปหาคิดพั ฒ, พฒนาอย่างอื่น ถ้าคนในชาติไม่ดีคนวิสัยถ้าคนในชาติไม่มีคุณธรรมศีลและธรรมจริยธรรมแล้วเนะี่ยถึงจะพัฒนาอย่างอื่นหรูหราโอ้อาขนาดแต่คนในชาตินั่ะจะเป็นผู้ทํำลายถ้าว่าพัฒนาคนให้ดีแล้วนะ่ยถึงจะเป็นยังไงถึงจะบ้านเมืองจะมอซอก็เถอะแต่อยู่ด้วยกันร่วมเย็นเป็นสุขเออมันเป็นสุขเพรมนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่ามนุษย์ พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความระแวงระวังกันอยู่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยัญหาความสุขไม่ได้นะเพราะนั้นหลวงพ่อเนตรงถ้าจะเน้นเน้นพัฒนาคนให้คนมีคุณธรรมภาพให้คนมีธรรมคุณธรรมศีลและได้ธรรมจริยธรรมแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราเอาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยคือบทเรียนสำหรับเรา แต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราเนี่ยไม่มีประวัติศาสตร์มันมีแต่พอใหญ่ขึ้นมาก็ต่างคนก็ต่างเก่งเออต่างคนก็ต่างเก่งใครก็บอกใครแน่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มองประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นมาอย่างไรเนี่ยชาติไทยเป็นมาอย่างไรมันต้องมองประวัติศาสตร์ไมิจิถูกอย่างพุทธศาสนากรณีศาสนาอื่นๆกรดีที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะประวัติศาสตร์เออทำไมถึงว่ามีประวัติศาสตร์ ถึงพวกเราจะทํำยังไงก็ตามถึงจะพบพุฎิเจ้าประริาพานไปแล้ 2,559 ปีให้หลังแล้วพวกเราจะทําพิธีอะไรพวกเราจะวัดนโมตัสสะพระเขาวตัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะข้าไปเจ้าขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหั่นตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะทั้งที่พบกุฎิเจ้าพระริาพานมาตั้ง 2,000 กว่าปีพวกเราจะทำอะไรแลังจากระลึกถึงคือพวก ดูในฟอมอย่างนี้คือเป็นของพระพุทธเจ้าเออแล้วก็ทําคําสอนอย่างนี้คือคำสัมสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราเนี่ไม่เรียนประวัติศาสตร์เฉยๆเอ่อรัตการที่หนึ่งเป็นมาอย่างไงรัตการที่สีที่ห้าเป็นมาอย่างไงประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ต่อไหลที่ปกป้องประเทศชาติที่ทุกขี่สุดหลวงพ่อรัชการที่หรัชการที่ห้าในทุกขี่สุดเพราะเหตุไรเพราะฝรั่งเศสอังกฤษจะมาแบ่งประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือวิกฤติมาของของประเทศชาติมันต้องมีความเป็นความเป็นความมาอย่างไรแต่้พอมาถึงยุคของเราเลยจะไม่มีการเรียนประวัติศาสตร์เลยมีแต่ใครเกง่งใครกล้าใครเกง่ง ก็มาแย่งชิงกันก่อนที่จะเป็นมาอย่างนี้ได้เพราะเป็นมาอย่างไรมันก็ต้องมีมีเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันถึงจะเป็นพ่อแม่ครูบาญาลหลวงปู่หลวงตาที่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็เถอะก็นั่นคือเราเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเป็นสางกยบุตรเป็นพุทธชินโนรถเป็นรถเป็นพุทธเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เราคือยกย่องพระพุทธ เพราะว่าศาสนาคือเป็นประวัติศาสตร์เพราะนั้นห ล, ลวงพ่อว่าเนี่ยเมืองไทยของเราเนี่ยควรจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยเป็นยังไงอันนี้ก็ควรจะมีในในเมืองไทยถ้าเราปล่อยปละละเลยในจุดนี้เกินไปเพราะใหญ่ขึ้นมามนต่างคนต่างเก่งนี่แต่เนยไม่มีใครยอมไผ่เยเพราะว่ามัน มันคล้า่ๆบอกมันถึงยุคนี้แหละมันไม่ได้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไงใครเป็นคนรักษาประเทศชาติชาติเมืองไทยให้มาถึงยุคนี้จนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อวานนาอันนี้ก็ควรจะมีได้อีกส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่านะเรื่องขอรับช่าที่พูดกันอย่างหนักๆทุกวันนี้นะ หลวงพ่อไปเห็นด้วยนะเออดีกว่าคอรับชั้นประเทศชาติวาควรจะเออควรจะตให้เข้มขึ้นไปแต่จะให้ลงโทษลงกรรมอะไรหลวงพ่อไม่กล้าที่จะพูดทึงขนาดนั้นกลัวบาปเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะมันผิดมันอดีตมันผ่านมาแล้วแต่ว่าต่อไปนี้ควรจะตั้งต้นใหม่ควรจะให้มีกฎหมายเข้มงวดกวดขันขึ้นมา เพราะเหตุไรล้มพ่อว่านี้ไนะเงินข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพราะได้เงินมากา็ได้เงินมาจากภาษีพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียภาษีพอได้เงินภาษีแล้วยังโกงยังโกงชาวบ้านเขาไปอีกหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะเป็นธรรมเพราะว่าถ้าคิดดูๆสิพี่น้องประชาชนลูกหลานของเขานะเน่ยเขาทำไรทำนานมันทกยากขนาดไหน ค่าเรียนค่ารูปเรียนก็ไม่มีค่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่ว่าบัตรทอง30บาทในตอนนั้นเองค่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอันนี้ข้าราชการมีหลายๆอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินค่าดูแลรักษาทั้งหมดแล้วก็ค่ารูปเรียนหนังสือก็มีอีกชาวบ้านไม่มีแต่ที่เขาเป็นผู้เสียภาษีให้กับ ส่วนราชการเพราะฉะนั้นการราชการได้เปรียบชาวบ้านจดพอแรงแล้วยังมั่งอรับชาติอีกหลวงพ่อวัดมันน่าจะมีกฎหมายให้เข้มงวดขวดขานขึ้นหลวงพ่อว่าเอดท้านเราคิดแบบแบบแบบไม่เอารัดเอาเปรียบกันน ะ, ะถ้าว่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็อย่างว่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะมีกฎหมายเข้มงวดกวดกันเพราะฉะนั้นฝากฝากไว้กับท่าน บวบจากท่านพิษณุด้วยนะท่านมีชัยด้วยกําลังเขียนกฎหมายอยู่เดียวนี่ลุงพ่อว่านะเ อ, อแต่เดี๋ยวที่เมืองไทยกําลังเข้าประชาคมอาเซียนเออเมืองไทยของเรากําลังเป็นควรจะเป็นผู้นําของอาเซียนเ อ, อตามไม่จริงเราน่าจะทําตนเหมือนสิงคโปร์่ะให้เป็นหลัก แล้วก็ตีวเข้มพวกพ่อค้าอย่างคุณจมบัด น, นี่แหะหรือให้เป็นตัวของตัวสมมติ ว, ว่าอย่างข้าวอย่างนี้นข้า ว, วพ่ะมาทำนาไล้ขายข้าวเวียดนามขาย ข, ข้าวเขมรขายข้าวเมืองไทยของเราขายข้าวแข่งเขาแข่งกับเด็ก หลวงข้อว่าไม่น่าจะถูกเมืองไทยของเราน่าจะเป็นพี่เบิ่มน่าจะซื้อข้าวจากพมา่าซื้อข้าวจากเวียดนามซื้อข้าวจากอินคาเบเข้ามาแล้วมาสีเลยพอสีเสร็จแล้วก็มาแยกเกรดไว้เขาข้าวพม่านเนีเกรดใดเกรดบเกรดซเกรดอะไรก็ว่ากันไปเมืองไทยเกรด A อก็ว่ากันไปเออแล้วแต่จากนั้นก็หาตลาดขายสิ ลองเพื่อเมืองไทยของเราน่าจะเป็นพี่เบื่อของเข า, เาไม่น่าจะจะเปแข่งกับเด็กที่มันเกิดใหม่มันก็เป็นศัตรูกันรอบบ้านรอบเมืองทั้งหมดเลีพรอะและเพราะเราเป็นศัตรูของเขาเออเราน่าจะเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นำเขามันจึงจะถูกจริงไหนที่เราพอจะเสียเปียกเพรฝั่งเขาเสียเปียกเพราะบ้างอย่าไปเอาเปียกว่าจนเกินไปเออหลงพ่อว่านะเออ ควรจะให้การศึกษาอย่างไงเขาก็ให้ศึกษาอย่างที่หลวงพ่อไปพูดกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์แพทย์หลวงพ่อบอกว่าเอ้ยอาจารย์แพทย์คณะแพทย์คณะบดีหลวงพ่อว่าเนี่ยน่าจะรับนักศึกษาเมืองลาวแล้เขมรเวียดนามทางเชียงใหม่ก็รับทางพม่าทางสงทางภาคใต้ก็รับสงขาทางสงขาก็รับ มาเลเสงสิหรืออินโดนีเซียรหรือฟิลิปปินส์ก็ได้มาเรียนนะมาเรียนแพทย์ในเมืองไทยออพอให้เขาเรียนฟรีเลยเแล้วก็ค่าอาหารนะให้เขาหาหากินเองเออแต่ว่าเรียนให้เขาเรียนฟรีจากนั้นเมื่อเขาเรียนไปแล้วนะแต่จะไปค่อยเข้มวขวดเขาขันเขาจนเขาไปกับพิชชาแพทย์ แต่เขาทําตามหลักวิชาการให้มันถูกต้องกับเรื่องภาษาเรื่องอะไรเลยเราก็หยนโยนกันมันจะให้มันเป๊้ยเหมือนทุกภาษาไทยมันก็จะได้อย่างไรคนต่างชาติกันแต่เมื่อเขาทําเสร็จแล้วไปถ้าเมื่อเขากลับไปประเทศชาติของเขาแล้วนในเมื่อเขารักษาคนของเขาเศรษฐีในเมืองของเขาต้องมีคนที่มีเงินเขาก็จะปลงคุนนี่ไปรักษาเมืองไทยนะอาจารย์ของผมนี่นี่ หายได้เนี่ยนี่แหละพวกเศรษฐียังค่อยกลับมาเมืองไทยพวกเรายังค่อยเอาเอากับพวกเศรษฐีเหล่านั้นเออที่แรกเรากะให้เขาไปก่อนเ อ, อให้ทุนเขาไปก่อนพวกนักพวกแพทย์ทั้งหลายผลในสุดเขาก็ต้องยอมรับว่าแพทย์เมืองไทยรุงลุงพี่ของเราอาจารย์ของเราอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละมันจริงเราเนี่เราต้องลักษณะเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่เบิ่มเขาหลวงพ่อว่านะเออแต่อันสุดท้ายหลวงพ่อก็บอกว่า หลวงพ่อหลวงพ่อพูดมาแต่ก่อนนะตั้งแต่ท่านประยุทธ์เข้ามาเอ่อเข้ามาใหม่นะนะแบบกับคณะหลวงพ่อก็เออส่งไปหาเอ่อส่งส่งคำไปหาทวนะคือท่านตํารวจท่านหนึ่งท่านมาผมก็ได้ไปพบกับท่านท่านประยุทธ์อยู่เป็นบางครั้งครับหลวงพ่อก็รู้จักมักคุ้นกันอยู่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยนะหลวงพ่อเองเนี่ยนะอยู่ในป่าเนี่ยนะ ถ้านนะได้พบกับท่านนะได้พบกับท่านประยุทธ์กับคณะนะบอกท่านด้วยนะหลวงพ่อสัังคมาหาบอกว่านี่มีพระป่าองค์หนึ่งแต่หลวงพ่อเป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่นะท่านประยุทธ์เพียงหกกว่าปีแต่หลวงพ่อเนี่ยเจกว่าปีแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยป <c oughs> เป็นพี่เป็นหลวงพี่กันแล้วกันนะสั่งไปหาบอกว่าบริหารมาแล้วแหะถูกระดับ หลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่านะ่าก็สบายใจด้วยในช่วงนั้นนะ่ะเออมันมีที่ไหนเมืองกรุงแท้ๆยังมีบังเกอร์จะถล่มกันเออมันเป็นเหมือนกับบ้านป่าเ <c oughs> มืองเถือนจริงๆหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือน บ, บ้านป่า <c oughs> มเมืองเถือนมีบังเกอร์อยู่ในกลางเมืองกลางกรุงเนี่ยบัดนี้ก็รื้อหมดแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามนะห <c oughs> ลวงพ่อเนี่ยขอฝากไปหาท่านด้วยว่า การบริหารประเทศเนี่ยเรามาข่าวเนี่ยมาเพื่อใครมาเพื่อในหลวงมาเพื่อประเทศชาติขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในป่าในโด่งเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยลูกพี่เนี่ยหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่อินเนี่ยบอกท่านด้วยนะการทำงานอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วไม่ดี ถ้าทํางานด้วยความมั่นสุขใจนหละนั่นแหะประเทศชาติจะก้าวไปจะก้าวเดินให้ท่านมองดูเชเห็นไหมเป็นตัวอย่างรีโกนยูของสิงคโปร์นั่นแล้วก็มา์กอตเราจะเดินสายไหนสองสายนะเลยเลือกเดินเอาได้เลือกเดินเลือกเดินได้จะเดินแบบรีโกนยูหรือว่าเดินแบบมา์กอต เออเจะดูชูฮาโต้หรือมหาเทเราเดินได้ทั้งนั้นออพอานันสรุปแล้วหลวงพี่ขอเตือนอย่าลืมตัวการทำงานทำด้วยความมริสุ์ใจเราทำงานเพื่อในหลวงลำทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เ, ออเราเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจึงเข้ามาในเมื่อเข้ามาเราจะทำดีที่สุด อ, อ, อย่าให้มีปัญหาจะมีทิ อยากจะให้มีที่รับอยาให้มีที่แย้งถึงท่านอ อ, ออกไปถึงจะจะไม่มีเงินก็เถอะท่านจะไม่ได้ขอรับชั้นก็เถอะในเมื่อท่านออกไปแล้วท่านจะไปอยู่นสถานที่ใดพี่น้องประชาชนคนไทย ท, ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะยกม้อไหว้ท่านตลอดออท่านก็จะเชิดหน้าชูตาในทุก ห, หัวแหลแหงของประเทศชาติไม่ดีกว่าเหร อ, อ, อลูกหลานของท่านไม่ต้องก่ออดหรอก บริษัททางร้านไหนไหนเขาก็จะยอมรับทั้งนั้นน่ะถ้าท่านเป็นคนดีเน่ยหลวงพ่อว่ากันนะเป็นยังไง่ะท่านบริวารที่หลวงพ่อพูดสาธุสาธุสาธุกรับเป็นรรมแล้ก็พร้อมกันในหลักลกของพุทธศาสนาเนี่ยจะมาพูดถึงหลักของพุทธศาสนาเอ่อถึงพวกเราจะดําเนินชีวิต ถูกต้องเป็นธรรมในในการเป็นอยู่ก็ตามหลวงพ่อบอกว่านะหลวงพ่อย้ําว่าพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่เรียนหนังสือมาเริ่มเรียนหนังสือแต่ไม่ใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนหนังสือเพื่ออะไรต่อมาเราเรียนหนังสือขึ้นมาเราก็รู้นะ่าเออเราเรียนหนังสือขึ้นมาเพื่อเราจะได้หาปิชาอาชีพ ถ้าเราเรียนเก่งเรียนดเีเรามีวิชาดีเราก็จะได้งานที่ดีได้เมื่องานที่ดีแล้วเราได้อะไรก็ได้ยศถามบรรดาศักดิ์สรุปแล้วก็คือได้เงินเพื่อหาเงินการเรียนการศึกษาการทางานทํางานเพื่อหาเงินหาเงินมาเนี่ยถึงจะได้มากน้อยขนาดไหนก็เถอะเงินเ อำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอาหารการบริโภคอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้าลุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้คือเงินเนี่ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเงินก็ส่งถึงโรงพยาบาลเนีแปลว่าสุดท้ายขั้นสุดท้ายแหละอำนวยความสะดวกเหล่านี้กับเป็นพื้นฐานพอส่งถึงโรงพยาบาลอ้าว หายกลับมาอีกเจ็บไข้ในป่วยอีกสงเคราะหโรงพยาบาลอีกออแล้วก็หายกลับมาอีกป่วยเข้าไปส่โรงพยาบาลอีกหลายครั้งต่อหลายคนผลใสุดไปนอนอยู่โรงพยาบาลพอไปนอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าสายอะไรอีดูงตูงนังไปหมดเลยผลในสุดก็หมอออกไม่ไหวรักษาไม่ไหวอายุมากแล้วโรคมากมารุมมะตุมผนสุดก็ ตายอยู่ในโรงพยาบาลสรุปแล้วก็คือเงินศ่ถึงส่งพวกเราถึงโรงพยาบาลเออแล้จากนั้นก่อนญนะาติพี่น้องญาติโกโหติกาสามีภรรยาลูกหลานที่รักเคารพก็ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลมาบําเพ็ญกุศลที่บ้านก็มีที่วัดก็มีสาราวัดก็มีเออพอบําเพ็ญ7จวัน1ิบเจวันสิวันห้วัน ร้อยวันจากนั้นก็ไปชมเพิงออพอไปชมเพิงก็ยกศพขึ้นไปก็ไปถึงเมนเออพอไปถึงเมนแล้วก็เอาศพไปวางที่เมนแล้วกันะพวกเราไปวางดอกไม้จันรลูกลานญาติโก้โอติกาที่รักเคารพ ก, กันทั้งหลายพ อ, อไปวางดอกไม้จันเออเอาเนอะในท่านไปดีเนอะทางว่าท่านได้ ท, ท่านได้ประมาทพลาดพางหัวข้าไปเจ้าข้าไปเจ้ายินดีโอโหสีให้กับให้กับท่านท่านก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราได้ทําอะไรกับท่านก็ขอให้ท่านโปรดอ้โหสีให้กับข้าไปเจ้าด้วยข้าไปเจ้าขอมาคารวะเป็นครั้งสุดท้ายท่านคนอโหสีให้ข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าไปยินดีโอโหสีให้กับท่านขอให้ท่านไปดีแต่หน้าท่นี่เนอะจากนั้นก็พอมาจะกํา ถึงจะรักขนาดไหนก็เถอะเนยแล้วก็มานั่งอยู่เก้าอีเออไม่มีใครผู้ใดที่จะกระโดดเข้าไปในหีบในหลงให้เขาเผาด้วยไม่มีเฮพอมานั่งเสร็จแล้วเขาก็เผาเอพอไปชมเพลิงเสร็จเรียบร้อยอยังเหลือแต่กระดูกจากนั้นกันวิญญาณของพวกเราในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนละตายแล้วเกิดอีกเหิวิญญาณจะออกจากร่างน่นเออคือร่างกายเนี่ยคือเหมือนกับรถ แต่วิญญาณคือใจเนี่ยเหมือนกับคนขับรถเคนขับรถเขาเผารถแต่โซเฟอร์เขาไม่ได้เผาซเฟอร์ออกมาอยู่ข้างนอกโซเฟอร์ก็ไปตามลําพังไม่มีรถแล้วท่านนี่แหละอะในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกถึงคร า, าวเช่นนั้นแหละท่านเมื่อออกเมื่อเขาเผ า, าร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างนะอัตติอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน โกหินาโถโปรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปในเมื่อเราออกจากร่างนี้แล้วเนี่ยแหละบุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเป็นผู้เข้ามาเพื่อกูลหนุนถ้าเราทําบุญบุญจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทําบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของเรา เ, น, เ, าาเนี่แหละบุญกับบาปจะเป็นเพื่อนสอง ที่จะพานำเราไปสู่สุขคติหรือทุกขคติสุขคติก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เราไปเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญเหมือนกับเราออกจากร่างนี่แล้วเรามีเงินเราอสแสวงหาบุญเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราพร้อมที่จะไปเกิดเราจะฐานที่ใดก็ได้เพราะอะไรเพราะเรามีเงินแต่ถ้าเราไม่ได้โสแสวงหาบุญเราไม่ได้คิดว่าตายตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเราคงนั่นนะ บาปวกุสวจะพาเราไปสู่ทุกข์ติไปเกิดเป็นสซางช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทางนั้น why เพราะ ว, วิญญาณคือใจมันพาไปแต่พวกเร า, เอาบอกว่าท่านจะรู้ได้ยังไงหลวงพ่ออินจะรู้ได้ยังไงว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูดเอาอะไรมาพูดมีคําถามเอาอะไรมาพูดเพราะพุทธเจ้าท่าน พิสูจน์มาแล้วที่คโคลนต้นโพหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวปูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นทุกองเนท่านยืนยันยืนยัดทั้งหมดเลยว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือวิญญาณถ้าเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาเออนั่งนั่งคัสมาธิพอนั่งคัดสมาธิ ทำจิตใจให้สงบให้บริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอใจของเรานิ่งสงบพอใจสงบแล้วเราจะรู้ได้กายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันชัดเจนร่างกายก็คือส่วนหนึ่งจิตใจก็คือส่วนหนึ่งเป็นอันหนึ่งแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของกายท่านว่า เออมันเป็นวิบากกรรมในอดีตเออมันรูปร่างกางตัวเสร็จสวยงดงามขีดลร้ขีขเหร่พิกงพิการอันนี้มันเป็นวิบากกรรมในอดีตให้ผลแต่จิตใจนั่นอ่ะตกแต่งได้ให้เป็นให้ดีให้เลวได้นี่ยแหละอันนี้ก็คือท่านว่าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจแบบมโนปุพังคขมมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องของใจไม่ใช่ความสำคัญเรื่องของกายนะกายอนไรเน่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะข้าวโภชนะอาหารครบหมู่ห้าทุกคำผ้านุ่งห่มอย่างดี ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้มาจากประเทศไหนอย่างดีที่อยู่รู้หละลงหล ะ, ะขนาดไหนคนในเมื่อเราแก่เท่าฉรา 70-80 ด70บปสิบแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นผมขาวแล้วจะเห็นฝันหลุดเดี๋ยวจะเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวจะเห็นหูตึงเดี๋ยวจะเห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวจะเห็นหลังคล้องเดี๋ยวก็ได้ใส่ใสใสไม้เท้าจากนั้นก็ไปนอนโรงพยาบาล อย่างที่ลวพ่อได้พูดว่าเทเงินส่งทุงโงงพยาบาลเนี่ยร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ถึงจุดนั้นเท่านั้นแต่ดวงวิญญาณคือใจควรจะศึกษานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านยอมพระพระวัติใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถูกต้องตา ม, ห ล, รรมาาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูนาตายแล้วเกิดอีก อยากจะรู้ให้นั่งภาวนาเนี่แหละคือหลักี่สุจน์ในในทางปฏิบัตินะนั่งภาวนาจิตใจสงบรวงเป็นอย่งนะ้เรายอมรับทันทีเลยเพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่ลุงตาท่านยอมรับเลยโ อ, เอ้เรื่องวิญญาณออกมาจากร่างเห็นได้ชัดเลย เ, เหมือนกับรถกับคนขับรถรถก็คือร่างกายของเราของมนุษย์แต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถออกจากร่าง นี่แหละคนขับรถที่ออกจากร่างไปแล้วนะ่อยคนขับรถมีเงินหรือจนถ้าคนคนขับรถนั้นมีเงินคือได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้คนนั้นอาจจะพาไปเกิดบุญกุศลบุญกุศลน่นคือเงินจะไปประเทศไหน อ, อจะไปประเทศไหนถ้าเรามีเงินมากไปรอบโลกกี่รอบก็ได้เราจะซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้าเรามีเงินน้อย จะไปประเทศอเมริกาก็ไม่ได้ล่ะมุดมูลเงินเราม่น้อยแต่ถ้าจะไปกับไปแถวประเทศเราประเทศเขเมรใกล้ๆกล้ไปเที่ยวในเมืองไทยแล่านั้น่ะเพราะอาไรพราเงินมันน้อยนี่แหละคนที่มีบุญน้อยก็เหมือนกันจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าจวัดชั้นพรมไม่ได้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงส่งไม่ได้จะไปเลือกเกิดในตระกูลสูงส่งไปเกิดในลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเกิดลูกเป็นลูกกษัตริย์แต่ เป็นโลกไปเกิดที่ลลกผู้ที่ร่ารวยไม่ได้ไว่าหอเพราะบุญของเรามันน้อย เ, อเราอาจจะไปเกิดสมฐานะสมกับเงินของเรานี่แหละท่านว่าบุญบุญญาณิปละโล ก, กันสมิงปฏิถฐานตีปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ประกอบพูดงามความดีเนออย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอ บาปุุนคุณโทษมีจริงเนอะนรกสวรรค์มีจริงบาปุุนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนะนอะนี่เลยคือหลักของพุทธศาสนาเอาละมังน้อยที่นี่นะ